สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอ ร, รายการเสียงหนึ่งสือเรื่องไล่ตรงจิน้นลูกขอทานผู้ไม่ยอมแพ้ต่อชะตาชีวิตจากบทประพันธ์ของไล่ตรงจิน้นจัดพิมพ์โดยบริษัทนานีบุ๊คพับเพลเคชั่นจำกัดอัตชีวประวัติของอดีตขอทานที่ทุกคนเยอะหยันมีพ่อตาบอด แม่กับน้องชายคนโตปัญญาอ่อนทั้งหมดส4ีชีวิตที่เขาต้องเลี้ยงดูเขาต่อสู้กับชีวิตจนให้เป็นบุคคลดีเด่นของไต้หวันเพราะใจที่ไม่ยอมแพ้เพียงคำเดียวไล่ตงจินลูกขอทาน ผู้ไม่ยอมแพ้ต่อชะตาชีวิตตอนที่หนึ่งเรื่อง ยี่สิบสองธันวาคมปีคุทธศกราช 1,999 ักราผมยืนอยู่บนเวทีในพิธีมอบรางวัลสิทเยาวชนยอดเยี่ยมแห่งปีหลังจากที่ผมรับรางวัลแล้วกล่าวคำปราศัยยาว40นาทีสิ้นสุดลงเสียงปรบมือก็ดังกึกก้องขึ้นข้าราชการผู้ใหญ่ทั้งหลายต่างก็ลุกขึ้นปรบมือให้ผม ในนาทีนั้นแม่กับน้องชายคนโตก็นั่งอยู่ในห้องโถงพิธีด้วยเช่นกันผมมองพวกเขาที่นั่งอยู่หน้าเวทีนึกถึงเรื่องราวในอดีตที่เราได้ฝ่าฟันร่วมกันมาแล้วผมกลั้นน้ำตาไว้ไม่ไหวจริงๆนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ผมได้รับรางวัลหรือใบประกาศเกียรติคุณหรอกครับตั้งแต่เล็กจนโต ผมเคยได้รับรางวัลและใบประกาศต่างๆเป็นร้อยๆใบสิ่งเหล่านี้นับเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตสวัสด์ของเด็กขอทานอย่างผมผมขอขอบคุณด้วยใจจริงแด่ทุกคนทั้งที่เคยเป็นกำลังใจและเคยช่วยเหลือผมมองย้อนกลับไป ตลอดระยะเวลา40ปีที่ผ่านมาเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นช่างเหมือนภาพยนตร์ที่ฉายตัดไปตัดมาอย่างรวดเร็วในหัวของผมช่วงระยะเวลา40ปีของผมจึงยาวนานเสมือนเวลา80ปีของคนอื่นเพราะแต่ละก้าวนั้นเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและโศกเศร้าแต่ละก้าวที่ย่างไปข้างหน้านั้น ราวกับก้าวเดินบนถนนก้อนปรวดเลือดไหลซิบๆิแต่ก็ยังต้องฝืนยกเท้าก้าวต่อไปยังดีที่ผมไม่ล้มลงยังดีที่ผมยืนหยัดมาได้จนถึงวันนี้ยังดีที่ผมไม่เคยละทิ้งชีวิตม้ไปกระผม นายไล่ตงจิ้นเกิดเมื่อวันที่ย0สิบมีนาคมคศินึศักราช 1,959 พ่อเป็นขอทานแม่เป็นคนปัญญาอ่อนบ้านฉันช่างน่ารักจริงเอ่ยสะอาดสดใสมีพาราณัยและเปี่ยมสุข เมื่อได้ยินเด็กๆร้องเพลงนี้ทีไรใจผมกลับรู้สึกว่าบ้านผมช่างแปลกเหลือเกินก็ตอนที่พ่อตาแม่ยายผมห้ามลูกสาวเขาไม่ให้แต่งงานกับผมพวกเขาก็ยังเคยพูดกับภรรยาผมไม่ใช่หรือว่าลูกจะแต่งกับเขาเหรอือบ้านนั้นน่ะเป็นบ้านที่โคตรสวยบรมมาซวยที่สุดในโลกชนะ แล้วผมจะมีหน้าไปเชียงอะไรเขาได้ละ่ะในเมื่อบ้านผมก็เป็นอย่างนั้นจริงๆพ่อผมไม่ได้เป็นเพียงขอทานธรรมดาๆรรเท่านั้นแต่ยังเป็นขอทานตาบอดอีกด้วยแถมแม่ผมยังเป็นคนปัญญาอ่อนที่มีภาวะอารมณ์ผิดปกติหมอบันทึกลงในใบวินิจฉัยโรคว่าแม่อคิวต่ำ เพียงระดับ58เท่านั้นนี่คือเรื่องราวการเติบโตของผมเป็นบันทึกชีวิตคลุกเลือดเคลาน้ําตาที่พวกเราทั้งครอบครัวได้ช่วยประคับประคองกันมาผมเลือกที่จะนําเรื่องราวเหล่านี้มาบันทึกเป็นหนังสือในวันนี้เพื่อระลึกถึงคืนวันในช่วงนั้น พ่อผมเกิดที่หมู่บ้านเฉียนจูหมู่บ้านเล็กๆที่แสนจะยากจนในอำเภออูรื อ, รอจังหวัดไทจงปู่ย่ามีอาชีพรับจ้างทำนาเมื่อพ่ออายุได้สี่ขวบปู่ก็ป่วยตายย่าเลี้ยงดูลูกทั้งสามได้แก่พ่อผมลุงและป้าแต่เพียงลำพังในสมัยนั้นแค่การเป็นหญิงไม้ ก็ลำบากพออยู่แล้วแต่นี่ยังมีโรคติดอีกถึงสามคนจึงทำให้ทั้งครอบครัวต้องอดมือ้อกินมื้ออยู่บ่อยๆซ้ำยังต้องโดนดูถูกเหยียดหยามสารพัดด้วยเหตุนี้อีกสามปีต่อมาย่าจึงยอมแต่งงานใหม่ไปอยู่บ้านซิลสารอำเภอต้หายาโดยที่ลูกทั้งสามไม่ได้ติดตามไปด้วยทุกคน ยังอยู่ที่อู่รือ้อทำงานรับจ้างทั่วไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายบ้างพอประทังชีวิตไปวันวันเมื่อพ่ออายุได้17ปีย่าก็เสียดังนั้นนอกจากพี่ชายกับพี่สาวแล้วพ่อจึงไม่มีญาติไหนอีกแต่ครนั้นสวรรค์ก็ยังไม่ปราณีสองปีต่อมาจู่ๆตาของพ่อก็เริ่มมีอาการผิดปกติ ในตอนนั้นทั้งลุงและป้าต่างก็แต่งงานแยกครอบครัวออกไปแล้วครอบครัวของแต่ละคนก็ลำบากมากไม่สามารถดูแลน้องชายคนนี้ได้ประกอบกับการแพทย์ในสมัยนั้นก็ยังไม่พัฒนาตาของพ่อจึงค่อยๆบอดลงในที่สุดที่น่าแปลกก็คืออีกสิบกว่าปีต่อมาลุงกับป้า ก็ตาบอดทั้งสองข้างเช่นเดียวกันไม่รู้ว่าเป็นเพราะตั้งห่วงซุยบันภบรุ่ไม่ถูกต้องหรือเป็นเพราะความผิดปกติทางพันธุกรรมกันแน่คงไม่มีใครตอบได้สรุปก็คือเมื่อพ่ออายุได้22ปีตาก็บอดสนิททั้งสองข้างจากนั้นท่านจึงเริ่มใช้ชีวิตวันนิพกหากินด้วยการเป็นหมอดูบ้างหมอนวดบ้าง แต่เนื่องจากกิจการไม่ค่อยดีนักโดยส่วนใหญ่แล้วพ่อจึงมักจะไปดีดพินขอทานตามตลาดสดบ้างตลาดต้อรุ่มบ้างชีวิตพ่อมีเพียงแค่ไม้เท้าหนึ่งอันชามบินบินหนึ่งใบกับพินอีกตัวหนึ่งระหกระเหินไปทั่วค่ำไหนนอนนั่นในใจพ่อคิดอะไรอยู่นั้นผมไม่เคยเข้าใจบางที ชีวิตเร่ร่อนขอทานของชายตาบอดอาจจะมีสิ่งที่น่าพอใจอยู่บ้างก็ได้พ่อซัดเซพเนจรไปเรื่อยจนอายุ32ปีวันหนึ่งพ่อเดินลัดลาะไปจนถึงสะพานข้ามแม่น้ำหมู่บ้านจ้างหวาเพื่อหลิงกะว่าจะนั่งพักขาใต้ร่มไม้ให้พอหายเหนื่อยเส้นหน่อย พอนั่งลงก็ได้ยินเสียงคล้ายกับคนร้องครวญครางดังขึ้นใกล้ๆตัวแม้พ่อจะมองไม่เห็นแต่ฟังจากเสียงก็รู้ว่าเป็นเสียงของเด็กผู้หญิงเสียงอดโอยนั้นบอกถึงความทรมานสุดทนพ่อสงสัยว่าเธออาจจะป่วยจึงยื่นมือออกไปแตะดูตั้งใจจะถามเธอว่าเป็นอะไรแต่เด็กหญิงดูเหมือนจะไม่เข้ใจถึงจะถามแล้ว ไ, ได้คําตอบ แต่ในสถานการณ์เช่นนั้นพ่อก็ไม่ใจดำพอที่จะชิ้งหญิงไว้ตำลังได้จึงนั่งที่พื้นใกล้ๆคอยอยู่เป็นเพื่อนไม่รู้ว่านั่งไปนานเท่าไหร่พอดีมีชาวบ้านเดินผ่านมาเห็นเด็กหญิงนอนร้องหอดโอยอยู่ที่พื้นแกถอนใจยาวเล่าให้พ่อฟังว่า จะว่าไปแล้วก็น่าสงสาร น, นั่นเด็กคนเนี้ยบ้านแกอยู่ที่หมู่บ้านยวนลินแต่ฐานะยากจนเพราะเกิดมาก็ถูกยกให้เป็นลูกบุญธรรมตระกูลเฉิงจีเออรลินยวนตงแต่ที่แย่ไปกว่านั้นก็คือพอตระกูลเฉิงรู้ว่าเด็กคนนี้ปัญญาอ่อนแต่กําเนิดแล้วยังเป็นโรคล้มบ่าหมูอีกอย่าว่าแต่เรื่องค่ารักษาพยาบาลเลย แค่เลี้ยงดูพ่อแม่บุญธรรมแกยังไม่ใส่ใจดูแลได้จะปล่อยแกไปตามยถากรรมจะอยู่จะกินยังไรก็ช่างพอเด็กมันหิวก็จับมดจับแมงผลไม้ผักหญ้าใส่ปักไปตามแต่จะเก็บได้เหนื่อยองมลงนอนกับพื้นสเปะสปาไปทั่วพอปูก็ได้มานอนอดอ้อยอย่างที่เห็นนี่แหละ พูดจบเจ้าบ้านคนนั้นก็ถอนใจยาวอีกเลือกหนึ่งแล้วสายหน้าเดินจากไปพ่อคิดว่าคนเรากับมาใต้ฟ้าผืนเดียวกันพ่อเองก็ไม่มีพ่อแม่ส่วนเด็กคนนี้ก็ถูกทอดทิ้งทำไมในโลกใบนี้จึงมีคนน่าสงสารมากมายนักนั แม่ตัวพ่อเองจะตาบอดแต่อวัยวะส่วนอื่นก็สมบูรณ์ดียังพาตัวไปขอทานได้แม้จะต้องทนอดอยู่บ่อยๆแต่ลมหายใจก็ยังไม่สิ้นหากว่าพ่อใจดำจากไปในวันนี้ไม่รู้ว่าเด็กที่น่าสงสารคนนี้จะมีชีวิตถึงวันพรุ่งนี้หรือเปล่าพอคิดได้อย่างนี้แล้วพ่อก็ตัดสินใจ ว่าจะพาเด็กหญิงนี้กลับไปรักษาที่อูร์บ้านเกิดตัวเองดังนั้นทั้งสองจึงอยู่กินเป็นสามีภรรยากันมาในสมัยนั้นยังไม่มีอะไรที่เรียกว่าพิธีแต่งงานเพียงคนสองคนอยู่ด้วยกันก็ถือว่าเป็นสามีภรรยากันได้แล้วและเด็กผู้หญิงปัญญาอ่อนที่ผมกำลังกล่าวถึงอยู่นี้ก็คือแม่ผมเองตอนหลัง เวลาที่พ่อเล่าเรื่องนี้ที่ไรจึงมักจะพูดว่าพ่อไปเก็บแม่มาที่จริงจะว่าอย่างนี้ก็คงไม่ผิดนักเพราะตอนนั้นพ่ออายุสามสิบสองปีแล้วส่วนแม่อายุเพียงสิบสามปีเท่านั้นทั้งคู่อายุห่างกันถึงสิบเก้าปีก็เหมือนเก็บเด็กมาเลี้ยงจริงๆแล้แหละคำพังเพยกล่าวว่าหงคู่หงมังกร คู่มังกรคางคกมีเงาคู่กับเต่าเท่าหลังตุงคนหลังคอมคู่กับคนปัญญาอ่อนไม่รู้อย่างนี้ควรจะเรียกว่าสวรรค์บรรดาลหรือสวรรค์กลั่นแกล้งดี ตอนที่สองลูกยกโหลบ้านเรามีลูกทั้งหมดสิบสองคนผมเป็นคนที่สองมีพี่สาวหนึ่งคนปีที่ผมเกิดนั้นพ่ออายุได้สี่สิบสองปีแล้วตอนนั้นพวกเราร่อนเร่ไปถึงหมู่บ้านตรงซื่อในไถ่จง ผมจึงเกิดที่สารเจ้าในสุสานแถวๆนั้นสารเจ้าในสุสานก็คือค่ารืหาดในโยมโลกของพวกคนตายนั่นเองวงจุ้ยเลยไม่เลวนักด้านหน้ามีแม่น้ําด้านหลังมีภูเขาหมอตำแย่ที่มาช่วยทำคลอดให้แต่เช้าตรู่ยังบอกด้วยว่าตอนที่แกทำคลอดแกเห็นมังกรเขียวตัวหนึ่งปรากฏตัวบนท้องฟ้าด้วย พ่อดีใจใหญ่จึงตั้งชื่อผมว่าตงจิง้นหรือบางทีก็เรียกว่าตงสุ่ยหลังจากผมเกิดแม่ก็ตั้งท้องอีกท้องแล้วท้องเล่าคลอดต่อๆกันจนครบหนึ่งโหลครอบครัวที่ยากจนเพียงนี้แถมยังมีลูกมากขนาดนี้ลำพังที่พ่อหามาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องนั้นก็แทบจะไม่พออยู่แล้ว จึงแทบจะไม่ต้องพูดถึงเรื่องเลี้ยงดูพวกเราเลยผมจำได้ว่าทุกครั้งที่ผมออกไปขอทานกับพ่อพ่อจะต้องผูกแม่ไว้กับต้นไม้ด้วยเชือกหรือโซ่เพื่อป้องกันไม่ให้แม่หนีไปเล่นน้ำเพราะหากว่าแม่เกิดหลงทางขึ้นมาพ่อตาบอดของผมก็ไม่รู้ว่าจะไปตามหาแม่ได้ที่ไหนเมื่อไม่มีพ่อแม่คอยอุ้มชูดูแล เด็กๆทุกคนในบ้านเราจึงต้องช่วยดูแลกันเองเล่นดินกินทรายมาจนเติบโตขึ้นแต่ที่แสนจะโชคร้ายไปกว่านั้นก็คือน้องชายคนโตปัญญาอ่อนและภาวะอารมณ์ผิดปกติแต่กับหนึ่งเพราะกรรมพันธุ์จากแม่นับแต่นั้นคนที่ถูกผูกติดกับต้นไม้จึงไม่ใช่แม่เพียงคนเดียวแต่ยังมีน้องชายคนโตเพิ่มมาอีกคน สำหรับพวกเรานั้นเนื่องจากพ่อมองไม่เห็นท่านจึงต้องหาเชือกสีแดงมาร้อยลูกกระพวนผูกไว้ที่คอลูกทุกคนเพื่อจะได้ฟังเสียงดูว่าพวกเราคลานเล่นกันไปถึงไหนแล้วถ้าใครไปไกลหน่อยพ่อก็จะรีบไปล่า ก, กลับมาเรื่องที่เกิดขึ้นตอนอายุได้ห้าหกขวบนั้นผมจำได้แม่นยำส่วนเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนสี่ขวบส่วนใหญ่ เป็นเรื่องที่พ่อกับพี่สาวเล่าให้ฟังภายหลังพี่สาวเล่าว่าตอนแรกที่มีเธอคนเดียวพ่อจะมีไม้คานสำหรับหาของไว้บนบา่ามีถุงย่ามอยู่ที่ปลายทั้งสองข้างข้างหนึ่งเอาไว้สำหรับใส่ทารกน้อยอีกข้างหนึ่งเอาไว้สำหรับใส่ผ้าหม่มเท่านี้ก็ไปได้ทั่วพื้นปัตภีแล้ว พอมีผมเพิ่มมาอีกคนก็เท่ากับว่ามีภาระเพิ่มขึ้นมาอีหนึ่งปากท้องจะอาศัยแต่การขอทานของพ่อคนเดียวก็เริ่มจะไม่พอเสแล้วอีกอย่างจะขนย้ายทั้งครอบครัวใหญ่ไปโน่นมานี่คงไม่ใช่วิธีที่ดีนะักดังนั้นเมื่อผมอายุได้ขวบกว่าพอเริ่มเดินได้ก็ตอบแตกตามที่สาวเอาไปขอทานผมจำได้ว่าพ่อ แทบจะไม่เคยแสดงความชื่นชมหรือยินดีต่อใบ ป, ประกาศนียบัตรใดๆที่ผมได้มาจากการร่ำเรียนหนังสือเลยสักครั้งแต่มีอยู่เรื่องหนึง่งที่พ่อมักจะพูดติดปากอยู่เสมอและในน้ำเสียงนั้นบอกถึงความภาคภูมิใจว่าตอนที่อาจิน้นเพิ่งจะสองขวบนะ่ะมันเดินขอทานตั้งแต่หมู่บ้านเชาตุนถึงหมู่บ้านผูหลี่เชียวนะ ระยะทางห่างกันตั้ง40กิโลเมตรนะ่ผมไม่เข้าใจว่าทำไมพ่อถึงชื่นชมกับเรื่องนี้นักหนาแต่พอมาคิดดูอีกทีก็คงเหมือนกับครอบครัวข้าพอดีที่หวังให้ลูกชายมีความสามารถในวิชาคนวตครอบครัวขุนนางข้าขราชการที่หวังให้ลูกชายรู้จักการเข้าสังคมต่างๆ และเมื่อเกิดในครอบครัวยาจกพอ่อจึงหวังให้ผมมีกำลังขาที่ดีและมีความอดทนสูงกระมังระยะทางตั้ง40กิโลเมตรแล้วผมก็เพิ่งสองขวบเท่านั้นคิดดูแล้วก็น่าหดหูซะจริงตอนผมห้าขวบแม่ก็คลอดลูกติดต่อกันอีกสองสามคนเนื่องจากพี่สาวเป็นผู้หญิง จึงต้องคอยดูแลน้องๆที่อยู่ในสารเจ้าในสุสานส่วนผมต้องเริ่มขึ้นแท่นเป็นไอเสือปืนเดียวออกไปขอทานแต่เพียงลำพังแม้จะมีอายุเพียงห้าขวบแต่ประสบการณ์ที่สั่งสมในภักรยาจกมาเป็นระยะเวลาถึงสาปีครึ่งทำให้การอออขอทานไม่ใช่เรื่องลำบากอะไรนักสำหรับผมเพียงแต่การขาดความรู้เรื่องการคุมกาเนิดของพ่อแม่ ทำให้แม่ตั้งท้องและคลอดลูกต่อเนื่องกันอย่างไม่หยุดหย่อนทุกครั้งที่มีชีวิตใหม่ลืมตาขึ้นมาไม่มีความอิติไร้ซึ่งการยินดีจะมีก็แต่ความกังวลในใจในภาระที่เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งปากท้องและภายหลังผมต้องเป็นผู้รับภาระหนักอึ่งที่จะต้องดูแลครอบครัวที่มีถึงส4ปากท้องเพียงลาพัง มันช่างเป็นเสมือนโศกนาฏกรรมที่ดูจะไม่มีวันจบสิ้นสําหรับผมเสมือนถนนปลูกระดับที่ไม่มีปลายทางก่อนผมสิบขวบครอบครัวเราไม่มีบ้านช่องเป็นหลักแหล่งหรือแทบจะเรียกได้ว่าเราต้องนอนกลางดินกินกลางสายกันจริงๆผมผ่านวัยเด็ก ท่ามกลางลมหนาวน้ำข้างแสงแดดพายุโหมกระนนมีต้นไม้เป็นหลังคาผื้นดินเป็นเตียงนอนและมีสุขสารเป็นบ้านของเราพวกเราเคยอาศัยพักพิงมาแล้วแทบทุกที่ไม่ว่าจะเป็นใต้ต้นไม้ใต้สะพานตลาดสดใต้เวทีโรงหิว้วทุ่งนาป่าร้าง ตามแต่สภาพอากาศที่ผันแปรไปตามฤดูกาลพูดได้ว่าไม่มีที่ไหนเลยที่เราอยู่กันไม่ได้ถ้าไปตามเมืองเล็กๆ เ, เราก็อาศัยกันตามโรงเรียนบ้างศาลาตามสวนสาธารณะบ้างสถานีรถไฟบ้างหรือถ้าเป็นหมู่บ้านชนบทเราอาจพักกันตามสวนกล้วยไร่อ้อยโรงเพาะเห็ดหลุมหลบภัย หรือแม้แต่ในเล้าหมูก็ยังเคยแต่ที่ที่เราอาศัยกันบ่อยที่สุดคงจะเป็นสารเจ้าในสุสานเพราะการนอนอยู่กับคนตายนั้นไม่ต้องถูกมองด้วยสายตาดูแคลนและที่สำคัญก็คือคนตายไม่ไล่ตะเพิดพวกเราแน่เคยมีคนถามว่าทำไมผมจึงจาเรื่องราวในอดีตได้ละเอียดชัดเจนนักผมคิดว่า คงเป็นเพราะว่าชีวิตผมลำบากและสะเทือนใจมากเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นการดูถูกเหยียดหยามอย่างไรก็เคยได้รับมาหมดแล้วเรื่องแต่ละเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเหมือนเข็มแต่ละเล่มที่คอยทิ่มแทงใจผมแล้วผมจะลืมมันลงได้อย่างไรเพียงหลับตาลงครั้งใดเรื่องราวในอดีตก็แจ่มชัดขึ้นมาในความทรงจา เหมือนแผลสดๆที่เพิ่งเกิดขึ้นมาในหัวใจกระนั้นแล้วจะให้ผมลืมมันลงไปได้อย่างไรเล่าตอนที่สามคนจรจัดไม่มีสิทธิเจ็บไข้ได้ป่วย ตั้งแต่เริ่มจำความได้ชีวิตผมก็เร่ร่อนไปไม่มีที่สิ้นสุดในช่วงที่เราซัดเซพเนจรกันนั้นเนื่องจากพ่อมองไม่เห็นแต่เพื่อปกป้องพวกเราพ่อจึงต้องพกอาวุธประจำกายไว้เสมอซึ่งได้แก่ไม้คานไม้เทา้าก้อนหินตะปูและของที่ยามสมัยก่อนใช้ตีเพื่อบอกเวลา ประสบการณ์จากการพเนจรมาหลายปีทำให้พ่อกลายเป็นคนที่หูไวมากแม้เพียงเสียงลมพัดใบไม้ไหวเสียงกระซิบเบาๆลอยมาแต่ไกลหรือกระทั่งเสียงงูเลื้อยในพงหญ้าพ่อพร้อมจะยกไม้เท้าขึ้นมาป้องกันไผ่ทันทีที่ได้ยินปลาใดที่พบกับโจรคนจอนจัดหรือพวกขี้เมาเข้าพ่อก็จะมีเทคนิคสามอย่างคือข้อแรก ตีค้องสุดแรงให้ดังจนคนแปลกหน้าตกใจวิ่งหนีไปข้อสองทำเป็นตั้งท่ามาตรฐานมวยจีนให้ดูเหมือนว่าตัวเองนั้นเป็นนักบูมือหนึ่งแล้วกแกล้งทำเป็นหน้าตาให้เะเหมือนถึงถึงขังเข้าไว้เหมือนจะขูว่าอย่ามายุ่งกับข้าถ้าสองวิธีนี้ยังไม่ได้ผลอีกพ่อก็จะเปลี่ยนมาใช้เทคนิคข้อที่สาคือ หยิบก้อนหินสามสี่ก้อนในถุงย่ามออกมาปาไปทางคู่ต่อสู้พ่อบอกว่าท่านี้มีชื่อว่าท่าลิงเด็ดลูกทอ้อเคล็ดลับอยู่ที่การเคลื่อนไหวต้องรวดเร็วเป็นพิเศษภายหลังพ่อสอนท่าลิงเด็ดลูกท้อนี้ให้ผมและพี่สาวด้วยดังนั้นในถุงย่ามของเราจึงมีหินสองสามก้อนพบเอาไว้เพื่อป้องกันตัวเสมอทุกครั้งที่ครอบครัวเรา เดินไปถึงหมู่บ้านก็มักจะเป็นที่ดึงดูดความสนใจแก่ชาวบ้านที่ได้พบเห็นเสมอบางคนเห็นครอบครัวเราแล้วก็เวทนาจนต้องนำอาหารมาให้ตั้งแต่พวกเรายังไม่ทันได้เอ่ยปากขอเสียด้วยซ้ำไปแต่ส่วนตัวผมก็เหมือนพ่อวัวตัวหนึ่งที่ลากลูกวัวข้างหลังอีกเจ็ดตัวให้คอยเดินตามและแน่นอนพวกเราทุกคนเดินเท้าเปล่า ชาวบ้านนอกส่วนใหญ่มีสัตว์เลี้ยงกันทั้งนั้นถ้าเดินไม่ระวังก็อาจเหยียบโดนขี้วัวขี้ควายขี้หมาหรืออาจเป็นขี้ของสัตว์อื่นเลอะติดเท้าพวกเราได้เวลานั้นผมยังเด็กมากไม่รู้ว่าเหม็นหรือหอมเป็นอย่างไรแต่รู้ว่ามันเป็นเรื่องที่น่าขำ ม, มากแต่พอหัวรอกขึ้นมาถึงพ่อจะตาบอดไม่เท้าของพ่อก็จะลอยมาฟาดผมดังเพี้ยเข้าทันที แล้วพ่อก็จะให้ผมเอาขันไปตักน้ําตามบอกมาล้างให้สะอาดก่อนจึงค่อยเดินทางกันต่อการเดินทางด้วยเท้าเปล่าทุกวันทําให้ฝ่าเท้าของเราด้านจนเป็นชั้นหนาหนาหนาขณะที่ว่าถ้าหากพลาดไปเหยียบโดนเศษกระจกเข้าแล้วก็ไม่แน่ว่าเศษกระจกนั้นจะแทงทะลุเนื้อได้หรือเปล่า แต่จึงจะพลาดไปเหยียบโดนตะปูหรือของแหลมคมอื่นๆเข้าพ่อก็มีวิธีรักษาแปลกๆเฉพาะตัวคือถ้าเหยียบโดนตะปูหรือถูกเศษกระจกบาดให้ใช้ดินทรายปิดปากแผลไว้แต่ถ้าถูกหมากัดก็ให้ใช้ขี้หมูมาทาแทนยาไม่มีอะไรที่เรียกว่าอนามัยหรือไม่อนามัยเลยสำหรับพวกเราที่คลานเล่นบนพื้นดินมาตั้งแต่เล็ก หิวเมื่อไรก็หยิบดินหยิบสายยัดใส่ปากใครให้อะไรมาก็กินลงไปบางครั้งเม็ดข้าวหล่นลงพื้นก็ยังเอามาใส่ปากไม่สนใจเรื่องความสะอาดเรื่องความสกระปรกได้แต่กลืนลงท้องไปเหมือนกันคนจอนจัดไม่มีสิทธิ์เจ็บไข้ได้ป่วยเพราะพวกเรายังต้องเดินทางกันตลอดระหว่างที่เร่ร่อนไป พ่อก็จะคอยสอนให้ผมเก็บเอาพวกก้อนหินเศษกระจกและตะปูที่ตกอยู่ตามทางออกไปทิ้งหรือหากเป็นหลุมขนาดใหญ่ให้ใช้ไม้ปูผ้ามาปักไว้เป็นสั ญ, ญลักษณ์เพื่อไม่ให้คนที่รีบเดินตามกลางคืนอาจไม่ทันระวังสะดุดล้มเป็นอันตรายได้พ่อบอกว่าเมื่อตัวเองเคยเจ็บมาแล้วก็อย่าให้คนอื่นมาเจ็บซ้ำรอยเดิมอีพ่อเป็นคนไม่มีการศึกษา แต่เรื่องราวมากมายที่พ่อได้สอนให้แก่พวกเราล้วนเป็นเรื่องที่ออกมาจากใจจริงทั้งสิ้นตอนที่สรู้ที่จะปรับเปลี่ยน รู้ที่จะอยู่รอดฟ้ายังไม่ทันสว่างผมกับพ่อก็ต้องเตรียมตัวออกจากที่พักกันแล้วจากที่พักของเราคือสามเจ้าในสุสานเดินออกจากสุสานข้ามเขาเตี้ยๆลูกหนึ่งตัดผ่านทางเดินตามขนาเล็กๆทะ ล, ถลุถนนเส้นเกษตรกรรม กว่าจะมาถึงหมู่บ้านที่ใกล้ที่สุดก็เป็นระยะทาง 1-2 ถึงกิโลเมตรทางเดินก็แสนจะขรุขระผมต้องคอยจูงพ่อเดินด้วยความระมัดระวังตลอดทางพอมาถึงหมู่บ้านพ่อก็จะพาผมไปเดินเคาะประตูตามบ้านทีละหลังทีละหลังตอนนั้นผมยังเล็กมากแล้วพ่อก็ตาบอดด้วยจึงทำให้มีเรื่องพุ่นๆเกิดขึ้นกันอยู่หลายครั้งทีเดียว เชน่นครั้งหนึ่งที่เรามาเคาะประตูบ้านหลังหนึ่งพอประตูเปิดออกมาเจ้าของบ้านก็ถ่มน้ำลายใส่หน้าเราทันทีพร้อมกับตะโกนหนาด้วยเสียงล่่นว่าเคาะหาอะไรวะตาบอดรึไม่เห็นเรื่องไงว่าเรากำลังจัดงานศพกันอยู่นะฮะโทรก็ผมมองไม่เห็นจริงๆตอนนั้นผมยังสูงไม่ถึงร้อยเซนติเมตรดีเลย แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่ามีงานศพพ่อรีบขอโทษขอโพยเขายกใหญ่แล้วเราสองคนก็รีบหลบออกมาเมื่อมาถึงบ้านอีกหลังยังไม่ทันจะเดินเข้าไปใกล้สักเท่าไหร่หมาตัวโตวตัวหนึ่งเห่าเสียงดังขึ้นพร้อมกับกระโจนออกมาทันทีเราตกใจใส่เกียร์ถอยหลังหนีแทบไม่ทันคนหนึ่งตาบอดอีกคนหนึ่งก็เด็กเล็กไม่รู้จะวิ่งไปทางไหนดี ลูกลี้ลูกหล่นวิ่งชนกันเองเข้าผมโดนพ่อล้มทับเอาอย่างจังเจ็บจนร้องไห้จา้าแถมยังถูกพ่อด่าซ้ําอีกว่าน้อยข้าตาบอดแล้วแกก็เลยไม่มีตาด้วยหรือไงผมเอามือนวดหัวเข่าข้างที่ยังเจ็บร้องไห้พลางจูงพ่อเดินต่อไปพ่อก็ยิ่งโมโหหนักเข้าตะเบงเสียงดุผมอีกว่า แล้วแกจะร้องไห้หาอะไรอีกฮะผมไม่กล้าส่งเสียงอีกพอน้ำมูกไหลก็ได้แต่แบบปากเดินต่อด้วยความน้อยใจไม่ง่ายเลยกว่าจะมีคนนำอาหารเหลือที่บูดจนเริ่มส่งกลิ่นเปรี้ยวมาให้เรากระนั้นเราก็ยังซาบซึ้งใจยิ่งเฝ้าขอบคุณแล้วขอบคุณเล่า จากนั้นก็มาเคาะประตูบ้านข้างๆพอเจ้าของบ้านเปิดประตูหัวออกมาก็จ้องหน้าเราแล้วว่าจนจนผีจะมารับไปอยู่แล้วยังต้องมาทำบุญทาทานให้พวกแกเอรึอไงวะว่าแต่น้องชายให้กับข้าวของพวกแกนั่นนะเอามาเผื่อแผ่ให้พวกเรากินบ้างได้ไหมผมรู้สึกตกใจมากที่เขาอยากได้อาหารของเรา จึงรีบจูงพ่อเดินหนีไปนึกไม่ถึงเลยว่าในโลกใบนี้ยังจะมีคนที่อยากได้แม้แต่ข้าวของของขอทานผมไม่เข้าใจเลยจริงๆใกล้เที่ยงแล้วอาหารในขันใบเล็กของผมเพิ่งจะได้มาแค่สองส่วนเท่านั้นเองไหนเลยจะพอกินกันทั้งบ้านพอนึกขึ้นได้ว่าตอนนี้ เป็นเวลาที่พ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดของหมู่บ้านกำลังเก็บแผงกันพอดีผมจึงรีบจูงพ่อดิ่งไปขอทานที่แผงผลไม้ทันทีพวกเด็กๆ ก, กลุ่มที่อยู่ไกลๆโน่นเห็นเข้าต่างพากันตะโกน ล, ล้อเลียนว่าเร็วเข้ารีบมาดูนี่เร็วขอทานมาแล้วให้ตัวสกรปรกให้ตัวน่ารังเกียจแหวะให้ขอทานตัวเหม็นมาขอข้าวเขากินแหว พ่อค้าเจ้าของแผงคงจะสมเพศพวกเราจึงหยิบเอาผลไม้ที่ช้ำจนขายไม่ได้แล้วยื่นให้แก่พวกเราจำนวนหนึ่งแม้ว่าผลไม้ที่พ่อค้าหยิบยื่นให้จะช้ำจนแทบจะเน่าแล้วแต่ผมก็ยังรู้สึกว่ามันช่างหวานหอมเหลือเกินพอได้ผลไม้มาผมก็นำมาคัดส่วนดีเก็บไว้ให้สำหรับพ่อกับแม่ก่อนจากนั้น ตัวเองค่อยกินส่วนที่เหลือเมื่อหวนคิดถึงสมัยนั้นแล้วผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเอาชนะความอยากของตัวเองยอมกินน้อยและกินแต่ส่วนที่แย่นี้ได้อย่างไรไม่รู้ว่าความรู้สึกกระตันยูกระตะเวทีเหล่านี้ผมไปเรียนมาจากไหนผมไม่รู้เลยจริงๆ ช่วงปีคริสตศักราช 1,960 นั้นไต้หวันยังเป็นสังคมเกษตรกรรมเล็กๆประเทศหนึ่งประชากรทุกครัวเรือนไม่ว่าจะเป็นเจ้าของที่ดินหรือชาวนาก็ต้องพึ่งพาฟ้าฝนเป็นหลักฝนตกมากเกินไปพายุเข้าเร็วเกินไปหรือแรงเกินไปก็ล้วนแต่เป็นปัญหาที่ส่งผลต่อการเก็บเกี่ยวทั้งสิ้น และในช่วงประสบปัญหาภัยทางธรรมชาตินี้ชาวบ้านก็จะหน้าดำคร่ำเครียดพวกเราก็ยิ่งขอทานได้ยากยิ่งขึ้นไปอีกแต่จะทำอย่างไรได้ในเมื่อทุกชีวิตก็ยังต้องอยู่ต่อไปด้วยเหตุนี้พ่อจึงลงทุนซื้อสิงโตผ้ามาหนึ่งชุดให้พี่สาวซึ่งตัวสูงกว่าอยู่ด้านหน้าเป็นหัวสิงโต ส่วนผมตัวเล็กกว่าอยู่ด้านหลังเป็นหางสิงโตแล้วเอาถุงใส่เงินเล็กๆมามัดที่เอลกันเกงของเราสองคนไว้ผมกับพี่สาวช่วยกันเชิดสิงโตทั้งร้องทั้งเต้นไปแทบทุกบ้านไม่ว่าชาวบ้านจะต้องการโชคลาภจริงๆหรือว่าต้องการจะไล่พวกเราก็ตามแต่ก็ยอมปักเศษสตังจาจให้พวกเรามากบ้างน้อยบ้างมีอยู่ครั้งหนึ่งเราสองพี่น้อง พากันเชิดสิงโตอยู่ที่หน้าบ้านหลังหนึ่งเชิด อ, อยู่นานแต่เจ้าของบ้านก็ไม่ยอมเหลียวแลพวกเราสักทีอากาศก็ร้อนจัดพวกเราอยู่ใต้ผ้าคลุมเหงื่อแตกชุ่มเสื้อไปหมดแต่เมื่อยังไม่ได้สตังเราก็ไม่ยอมจากไปง่ายๆผมกับพี่สาวยิ่งเชิดก็ยิ่งหมันเต้นจนชนกันเองต่างคนต่างลม้ลมลง แล้วก็ช่วยประยุงกันลุกขึ้นมาใหม่เสียงประดิ่งที่ติดอยู่กับผ้าคลุมสิงโตก็พลอยกระทบกันเกิดเสียงดังกรุ้มกลิงน่ารำคาญแต่ไม่นึกเลยว่าเจ้าของบ้านจะโมโหมากจนเข้าไปปล่อยหมาออกมาไล่พวกเราและเพราะพี่สาวเป็นหัวสิงโตเธอจึงมองเห็นเขี้ยวแหลมคมของเจ้าหมาตัวนั้นก่อนเธอตกใจกลัวรีบหมุนตัวกลับวิ่งหน้าตั้งแต่ผมสิง ผมเป็นหางสิงโตอยู่ด้านหลังมองไม่เห็นอะไรเลยเราสองคนต่างชนกันเต็มรักจนสิงโตผ้าแทบจะพังหมดผมกับพี่สาวไม่เคยได้รับการเข้าคอร์สฝึกฝนใดๆทั้งสิ้นจะทำอะไรก็อาศัยแต่ครูพักรักจำเอาเท่านั้นที่พากันเชื่อสิงโตก็ไม่เคยลงเท้าได้เข้าจังหวะเลยเอาแต่ว่าไม่ต้องหกล้มหัวขม ำ, ำก็ต้องถือว่าบุญโขแล้ว ความจนสอนให้เราเรียนรู้ที่จะปรับเปลี่ยนและการปรับเปลี่ยนทำให้ผ่านอุปสรรคไปได้และนี่คือปรัชญาของการอยู่รอดตอนที่ห้าปรัชญาจากศพ ความกดดันในชีวิตสอนให้ผมโตเร็วกว่าเด็กทั่วไปพออายุได้สี่ขวบผมก็เริ่มรู้จักหาเลี้ยงครอบครัวได้ด้วยตัวเองแล้วเพราะเราต้องซัดเสพเนจรไปทั่วเราจึงรู้ได้ไม่ยากว่าบ้านไหนมีคนตายบ้านไหนกำลังจัดงานศพขอให้เรารู้เราจะแล่นไปถึงทันทีเพื่อจะไปถามดูว่าทางบ้านนั้นขาดลูกมือบ้างไหม ต้องการคนแบกเหรียญจูหรือเหรียญจงบ้างหรือเปล่าที่เรียกว่าเหรียญจูและเหรียญจงคืออุปกรณ์ที่บ้านเจ้าภาพงานศพใช้เป็นเครื่องนําขบวนในพิธีเคลื่อนย้ายศพเดินอยู่หัวแถวถือธงแดงและธงขาวเหรียญจูคือการเอาก้านไม้ไผ่ผูกธงแดงส่วนเหรียญจงคือการเอาก้านไม้ไผ่ผูกธงขาวให้สองคนถือข้างละอัน ตามปกติคนที่ยืนหัวแถวถือเหรียญจูเหรียญจงนั้นจะเป็นลูกชายของผู้ตายแต่ถ้าผู้ตายไม่มีลูกชายก็จะต้องเชิญผู้อื่นมาช่วยถือให้หลายคนอาจกลัวที่จะช่วยทําหน้าที่นี้แต่สําหรับเด็กที่โตมาในสุสานอย่างผมแล้วการแบกเหรียญจูถือเหรียญจงไม่ได้เป็นเรื่องเลวร้ายอะไรนักก่อนหื่นเจ้าภาพงานศพ ก็ต้องห่อซองอําเปาให้เราค่าแรงก็ประมาณสองสามเหมารับเงินแล้วเจ้าภาพยังจัดหาชุดกระสอบไว้ทุบให้เราหีในพิธีศพจะมีนักบวชนำสวดแล้วญาติๆในบ้านเจ้าภาพจะสวดตามทีลวักสวดมนต์เสร็จแล้วยังมีการแสดงกายกรรมอีกด้วยการแสดงนี้บางครั้งมีคนขี่ม้าเหล็กรอเดี่ยวบางครั้ง เป็นการโยนรับลูกบอลหลายๆลูกพร้อมๆกันนักแสดงบางคนใช้จมูกเป่าเครื่องดนตรีบางคนเหยียบกระดานไม้ที่วางบนลูกกลมๆลื่นไปลื่นมาการแสดงเหล่านี้พอดูบ่อยเข้าก็ชักไม่มีอะไรแปลกใหม่แต่ที่สาคัญที่สุดก็คือในบางตอนของการแสดงนักแสดงจะโยนขนมและลูกอมต่างๆให้เด็กๆที่มาดูการแสดงอยู่รอบๆ และที่ผมทนยืนขาแข็งเป็นชั่วโมงชั่วโมงนั้นก็เพื่อนอาทีนี้แหละเป็นนาทีที่ผมรู้สึกตื่นเต้นดีใจที่สุดผมกับพี่สาวต่างก็หยิบได้ขนมบิสกิตกะละชิ้นพี่สาวกัดคำเล็กๆคำหนึ่งเธอหันมาส่งยิ้มหวานให้ผมถามว่าอาจินของเธออร่อยไหมชิ้นที่พี่สาวหยิบได้นั้นเป็นขนมบิสกิตที่มีน้ำตาลตรวจสีชมพูรอยหน้า ส่วนของผมเป็นวิสกิตไส้เนย อ, อืมอร่อยอร่อยมากๆผมพูดพลางยัดขนมที่เหลืออีกครึ่งเข้าปากพอเห็นพี่สาวกำลังกัดขนมที่ละคำเล็กๆราวกับกลัวขนมจะหมดไปผมก็ได้แต่กลืนน้ำลายดังเพือกงั้นพี่แบ่งให้เธอครึ่งหนึ่งก็แล้วกันพี่คงมองออกว่าผมอยากกินอีก เธอบบบิสกิตให้ผมแต่บิสกิตนั้นกรอบร่วนมันจึงแตกง่ายพอเริ่มบีดเท่านั้นเศษขนมปังก็ร่วงลงมาผมรีบเอามือเข้าไปรองเศษขนมปังไว้ด้วยความเสียดายจะกินทิ้งกินขว้างไม่ได้หรอกแล้วเราสองพี่น้องก็มองหน้ากันพร้อมกับหัวเราะออกมารสหวานหวานของขนมและลูกอมพวกนั้นผมยังจาได้ไม่รู้หรือมาตราบจนกระทั่งวันนี้ พอางานสบสิ้นสุดลงโดยทั่วไปเจ้าภาพก็มักจะจัดโต๊ะกินเลี้ยงเพื่อเชิญญาติญาติและแขกที่มาร่วมงานรับประทานอาหารกันผมก็จะรอจนกว่าพวกเขาจะกินเสร็จจากนั้นก็ขอของเหลือที่เทรวมกันมากินแม้จะเป็นเพียงเศษอาหารที่มีทั้งรสเผ็ดเปรี้ยวหวานเค็มมันทุกรสชาติผสมรวมกันก็ตาม แต่นี่คืออาหารมื้อที่ดีที่สุดในประวัติการเร่ร่อนขอทานของเราเลยทีเดียวในบางครั้งถ้าเศษอาหารมีมากพอเราก็อาจจะมีเหลือไว้กินถึงพรุ่งนี้ได้ไม่ว่ามันจะเย็นจะเปรี้ยวแค่ไหนเราก็กินกันได้ไม่ตะกิดตะขวงหากต้องการมีชีวิตต่อไปก็ต้องมีกระเพาะอาหารที่ทนทานเช่นนี้แหละ สิ่งที่เราต้องระวังที่สุดก็คือบางครั้งที่เจ้าภาพเทเศษอาหารมารวมกันก็อาจเอาก้างปลาเทลงไปด้วยและหากบังเอิญน้องเล็กๆ ก, กำลังหิวโหยอยู่พอเห็นอาหารก็กระโจนเข้ามาตั้งหน้าตั้งตา ก, กินไม่ดูให้ดีสะ ก, ก่อนผลของการไม่ระวังก็คือก้างปลาติดคอเจ็บจนพวกเขาร้องไห้กันจ้าละวันเราต้องช่วยกันทั้งตบหลัง ทั้งลวงคอกว่าจะเอาก้างปลาออกมาได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยข้อดีของการร่วมงานศพยังไม่จบเท่านี้ทั้งชุดเสื้อขาวกางเกงขาวที่เราสวมอยู่นั้นพอถอดออกเจ้าภาพก็ให้เอากลับบ้านได้เอาเถอะถึงจะเป็นชุดไว้ทุกขแต่ก็ดีกว่าไม่มีอะไรใส่เลยไม่ใช่หรือแล้วโดยทั่วไปเมื่อฝังศพผู้ตายแล้ว เจ้าผ้าก็จะเอาเสื้อผ้าเครื่องใช้ของผู้ตายไปเผาหรือทิ้งผมเห็นแล้วก็แสนจะเสียดายจึงรีบไปขอเสื้อผ้าเหล่านั้นโดยไม่เลือกสีหรือขนาดแน่นอนว่าเมื่อเทียบกับเด็กอย่างเราแล้วเสื้อผ้าเหล่านั้นใหญ่มากเอาแค่ให้ความอบอุ่นได้ก็พอแล้วถ้าเสื้อตัวใหญ่เกินไปเราก็พับแขนขึ้นหลายๆทบแต่ถ้าขากางเกงยาวเกินไป ก็ได้แต่ปล่อยมันลากพื้นไปอย่างนั้นบางทีมันก็พันแข้งพันขาจนสะดุดล้มไปก็มีสิบปีมานี้ทุกคนในบ้านเราได้ใส่แต่เสื้อผ้าเหล่านี้ไม่เคยแบ่งว่าตัวไหนเป็นของใครใครหยิบได้ตัวไหนก็ใส่ตัวนั้นแล้วก็ยังมีเรื่องที่แสนจะน่าอายอีกเรื่องคือเสื้อผ้าของผู้ตายที่เขาทิ้งเป็นชุดทันนอกเท่านั้น ไม่มีชุดชั้นไหนดังนั้นตลอดระยะเวลาที่เราเร่ร่อนผมจึงไม่เคยใส่กางเกงไหนเลยในช่วงที่ผมได้รับจ้างถือเหรียญจงหรือเหรียญจูนั้นทำให้ผมมีโอกาสได้เข้าร่วมในพิธีกรรมตั้งแต่ต้นจนจบทั้งพิธีปิดฝาโลงพิธีเส้นไหว้ตลอดจนพิธีการฝังศพด้วย ผมได้เห็นภาพการลาจากกันทีละฉากทีละฉากโดยเฉพาะตอนต่อฝาโลงหรือตอนขุดดินเพื่อฝังศพนั้นนับเป็นฉากเศร้าอาดูที่สุดเพราะเหมือนเป็นการตอกย้ำว่าจะไม่ได้เจอผู้ตายอีกตลอดไปญาติพี่น้องของผู้ตายก็จะยิ่งร่ำให้คร่ำครวญหนักยิ่งขึ้นบางคน ถึงกับกระโดดลงไปกอดลงไว้ไม่ให้เอาดินกลบลงก็มีหรือที่ร้องไห้จนเป็นลมล้มพับไปก็หลายคนพอเห็นความรักความอะไรอย่างสุดซึ้งนี่แล้วแม้คนนอกอย่างผมก็ยังอดร้องไห้ตามไปด้วยไม่ได้เมื่อมาคิดคิดดูแม้พ่อกับแม่ผมจะเป็นคนพิการทั้งคู่แต่อย่างไร ท่านก็ยังอยู่เกียงข้างผมเทียบกับพวกเขาที่ต้องเสียญาติมิตรไปผมยังโชคดีกว่ามากผมบอกกับตัวเองว่าการตอบแทนพระคุณพ่อแม่นั้นควรจะทำให้ทันเวลาและควรจะทนุถนอมสิ่งที่มีในตอนนี้ให้ดีที่สุดแต่ไหนแต่ไรมาตราบจนกระทั่งวันนี้ผมไม่เคยโกรธหรือคิดที่จะกล่าวโทษพ่อแม่เลย อาจเป็นพรอะผมได้ข้อคิดนี้ตั้งแต่อายุสี่ขวบก็เป็นได้